กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบนมรสการพระคุณเจ้าพระหลวงพ่อปราโมทสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องภาษาธรรมิกทั้งหลายปีนี้นับเป็นปีสำคัญในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้มีเวลาล่วงแล้วได้ 2,600 ปีนั่นหมายความว่าพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้น และดำรงอยู่ถึงปัจจุบันนานครบอ 2,600 ปีและคำสอนของพระศาสดาก็ยังปรากฏให้ศึกษาและปฏิบัติตาได้จากพระใจบิดกอย่างถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ตรงตามที่ทรงตรัสไว้ในคืนแห่งวาระสุดท้าย องพระศาสดาเมื่อ 2,555 ปีก่อนที่จัดไว้ว่าเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วไม่ควรคิดว่าพระศาสดาของเราปรินิพพานแล้วพระศาสดาของเราไม่มีด้วยแท้ที่จริงทำก็ดีวินัยก็ดีที่ตถาคตสแสดงและบัญญัติไว้ จยากเป็นศาสดาแทนตถาคตพระพุทธองค์ยังได้ทรงประทานคําสอนแก่สาวกองค์สุดท้ายคือท่านสุดพัทธะเป็นคําเตือนให้ภาคเพียรในการปฏิบัติว่าตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมรรคอันเป็นทางประเสริฐโลกจกไม่ว่างจากพระอระหันต์พระองค์ยังได้ประทานปัจชิมโมฮวาท หรือคำสั่งเสียเป็นประโยคสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้สถาคตขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจึงนับเป็นสุภนิมิตหมายที่ดีที่พวกเราทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผลขวายในการเจริญสติทำความรู้สึกตัวให้ถึงพร้อมเพื่อเห็นแจ้งรู้จริงในสภาวะธรรมธรรมชาติที่แท้จริงแห่งรูปนามกายใจและสังขารทั้งหลายว่ามีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่พึงยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์จิตย่อมเบือ่อหน่ายคลายกาหนัดและหลุดพ้นเป็นที่สุดเป็นที่สุดยิ่ไปกว่านั้นนะเป็นโอกาส อันเป็นมหามงคลสมัยที่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เมตตารับนิมนต์มาสอนแก่นพุทธธรรมแนะนำอบรมวิปัสสนากรรมฐานในประเทศสห ร, รัฐและณสถานที่นี้ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งด้วยท่านมีภารกิจการสอนอยู่มากมาย ท่านเป็นผู้ที่ได้สร้างปรากฏการณ์หลวงพ่อปราโมทดังที่นิยามโดยท่านอาจารย์ไพศาลวิสาโลจากการที่ปลุกชาวพุทธในประเทศไทยจ ำ, จำนวนมหาศาลนับเป็นละล้านคนให้ตื่นตัวต่อคำสอนของพระพุทธองค์และได้หันมาปฏิบัติธรรมตามดูรู้ทันจิตจนเห็นผลได้ตนเองนืงด้วยหลวงพ่อประโมทเชี่ยวชาญยิ่ง ในการสอนแนะนำทั้งในด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทอีกทั้งสามารถเปรียบเทียบอารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติต่อคำสอนในพระสูตรและสภาวะจิตสภาวะธรรมในหลักพระพระพิธรรมไดใ้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนแม่นยำอีงเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่หลวงพ่อประโมทได้เมตตา ม, มาสอนแก่นพุทธธรรมมันประเสริฐและชี้แนะ แนวการปฏิบัติให้ถูกต้องอาตามทางแห่งมรควิถีเพื่อประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นและทำที่สุดแห่งทุกให้แจ้งสืบไปยิกราบกอบพระคุณคุณ ป, ปหนหน้าปามโอดไว้ณที่นี้ขออนิมทนกานอื่นก็ต้องบอกพวกเราว่าต้องขอบคุณคุณหมอคงศักดิ์เป็นคนที่กล้าหาญเป็นนิมนหลวงพ่อเป็นคนแรกเลย ก็คุณหมอตานจริงกัรหน้านั้นก็มีนิมนต์บ้างน ะ, น ะ, นะคุณหมอคงศักดิ์เนี่ยจริงจังในการไปนิมนต์ผมก็รับนิมนต์แล้วรัตอื่นๆก็เลยเอาบ้างนะบ้างที่จริงควรจะมาเทศที่นี่เป็นที่แรกแค่เป็นทริปนี้มาเทศที่นี่เป็นที่สุดท้ายแต่ว่าธรร ม, มนะนั้นไม่มีเก่าไม่มีใหม่อะไรหรอกนะ เทศเมื่อไหร่ก็ธรรมะเหมือนเดิมธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของอศัศจรรย์เลวงพ่อไม่รู้จะใช้คําเปรียบเทียบว่าอะไรเลยใช้คําว่ามันอศัศจรรย์มากเลยแต่เดิมไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านะชีวิตเราไม่มีทิศทางเราก็มีชีวิตอย่างธรมธรมดาธรรมดาทําความดีไปอะไรไปอยู่กับโลกไป ธรรมมาหากินไปหรือบวชก็บวชไปตามธรรมเนียมต้ <c oughs> อศึกษาทำควเข้าใจธรรมมาที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วพบความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในตัวเองอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่าพวกเราอย่านึกว่าพวกเราไม่มีพระศาสด า, าแล้วธรรมวินัยที่ท่านถ่ายทอดไว้น่เป็นศาสด า, าแทนท่านถ้าเราเข้าใจทองแท้ในพระธรรม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 จิตกับพระพุทธเจ้านะจิตกับพระธรรมจิตกับพระสงฆ์นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยะเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อภาวนานะก็รู้สึกเอธรรมะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ลึกลับอยู่ไกลเราต้องสร้างบารมีอีกเยอะเลยกว่าจะถึงกว่าจะเข้าใจธรรมะเขพยายามนั่งสมาธิ ถ้าแต่เด็กนั่งสมาธิทุกวันนะแต่เจ็ดขวบนั่งทุกวันไม่มีเลิกหรอกถึงจะไปเล่นไปสนแบบเด็กนะแต่ถึงเวลาก็ต้องแอบมานั่งไปโรงเรียนกลางวันนะเคยอยู่โรงเรียนวัดกลางวันนะเพื่อนไปวิ่งเล่นเราแอบเข้าไปในโบสถ์โบสถ์ก็จะพังมิพังแหล่นะเข้าไปกราบพระประานเอามือไปจับเข่าท่านนะเข่าท่านเปื่อยเลย เป็นปูนเก่าๆยุ้ยไปหมดเลยก็ไปนั่งสมาธิในใจก็นึกศาสนาพูทธคงหมดไปแล้วล่ะพระพุทธเจ้าก็เปื่อยไปแล้วนะ <c oughs> พระทรรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระสงฆ์เห็นเดินไปเดินมาใจก็รู้สึกไม่ใช่อ่ะ <c oughs> ก็เป็นคนธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแตกต่าง่างคนธรรมดาเลย <c oughs> พระพุทธพระธมพระสงฆ์คงไม่เหลือแล้วมั่งในใจคิดอย่างนี้นะแต่ก็ยังนั่งสมาธิ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 มันหนึ่งจะได้เข้าใจธรรมะอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจสักทีผ่านไปยี่สิบสองปีไปเจอหลวงปู่ดูลยาก่อนหน้านั้นก็เคยได้ยินคำสอนครูบาอาจารย์องค์อื่นใจใจมันไม่ลงให้ย่งได้ยินท่านสอนเรื่องพุโทโธพิจารณากายแล้วลองมาพิจารณกายดูนั่งสมาธิแล้วดูไปที่เส้นผมเส้นผมก็สลายตัวไป เห็นหนังศีสะดูหนังศีสะสลายไปเห็นหัวกะโหลกอย่างนี้ดูหัวกะโหลกนะเห็นหัวกะโหลกสลายตัวไปเห็นตัวทั้งตัวดูทั้งตัวนะเห็นกระดูกทั้งตัวเลยอันนี้ดูลงไปอีกกระดูกระเบิดแตกเป็นชิ้นเล็กๆเป็นแก้วเล็กๆเป็นก้อนกรวดเล็กๆลงไปที่พื้นตามดูลงไปอีกสลายตัวไปเป็นแสงสว่างเลยรู้อย่างหนึ่งว่า วัตถุทั้งหลายเนี่ยถ้าสลายตัวไปถึงขีดสุด น, นะเป็นคลื่นเท่านั้นเองเป็นคลื่นของพลังงานเท่านั้นเองเป็นคลื่นแสงคลื่นอะไรอย่างเงี้ยสลายตัวไปแต่ไม่ไม่รู้เลยว่ามันจะพ้นทุกอย่างยังไงมันมันไม่ได้มีสติปัญญาทำมิปัสนากรรมฐานนั่งสมาธิแล้วก็เห็นนิมิตบ้างอะไรบ้างหนระือามาดูร่างกายจนระเบิดไปก็ยไม่เห็นมันจะบรรลุอะไรได้ แต่ก็อดทนนะทำมาเรื่อยด้วยความเคยชินไม่ทำไม่ได้มันเคยชินที่จะต้องทำจนมาปี2525 25, ถึงมีโอกาสไปเจอหลวงปู่ดุลก่อนไปเจอท่านนะได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือพระเครื่องของหลวงปู่แหวนตอนนั้นอุตส่ามีไปเช่าเหรียญหลวงปู่แหวนมาเหรียญหนึ่งนะ แข่งคนก็เล่นกันต้อไปเ อ, เอามาบ้างคนมีเหรียญเดียวนั้นก็ต้องไปซื้อทำเนียบรุ่นมารู้ซื้อมาทําไมมีวันเดียว <c oughs> ในหนังสือทำเนียบรุ่นของวัดสัมพันธวงศ์ก็พิมพ์เขาเหลือเศษกระดาษอยู่หน่อยหนึ่งนะเ้าไปเอาธรรมะของหลวงปู่ดุลมาลงไว้บอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเนยเป็นสมุไทยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่เห็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นนิโรธมีเหตุกับผลนะเหตุ ก, ก็คือจิตออกนอกก็มีผลเป็นทุกข์นะเหตุ ก, ก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมีผลเป็นความทุกข์นะเห็นเหตุกับผลอ่านถึงเท่านี้นะมันสะเทือนเข้าถึงใจนะก็นะคิดมาวาโอ้ถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ทุกข์อยู่ที่จิตนี่เองนะแต่ไม่รู้จักนะว่าเขาลงชื่อว่าพระรัตนกรวิสุทธ์ไม่รู้ว่เป็นอยู่ที่ไหน เที่ยไปถามถามคนนะถามอยู่หลายเดือนนะเลยรู้ว่านี่ชื่อหลวงปู่ดุลเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟัน่คนคงจะสิ้นไปแล้วล่ะหลวงปู่ฟั่นยังสิ้นไปแล้วเลยนะหลวงปู่ดุลจะอยู่ได้ยังไงอยู่มาอีกนะจนถึงต้นปีสองห้าคนถึงมาบอกว่าท่านยังอยู่เมือสุรินทร์เขานัางรใส่ไปหาท่านไปกราบท่านตอนเช้าเก้าโมงนี่แหละท่านฉันข้าวอยู่พระก็บอกว่าให้เข้าไปกราบตอนฉันนี่แหละ เราก็กลัวพระนะไม่เคยรู้จักท่านนะดุหรือเปล่าก็ไม่รู้เคยได้ยินแต่ว่าพระกรรมาฐานบางองค์ดุนะไปทําอะไรไม่ถูกใจเอากระโถนกว้างเขาลือกันอย่างนั้นควาจริงไม่มีหรอกท่านเสียดายของแล้วไม่เอาของไปกว้างใครหรอกก็รีรีรอรออยู่นะจนท่านฉันข้าวเสร็จนะท่านเห็นเราไม่เข้าไปหาท่านนละท่านเลยออกมาเอง <c oughs> นะเดินออกมาที่ระเบียงกุฏิท่านมาชะโงกมองลูกสาหนีไปหลบอยู่อีกตึกหนึ่งนะกลัวท่านมากเลย เรื่องที่พวกเรากลัวหลวงพ่อเนี่ยเรื่องปกติหลวงพ่อก็ากลัวอาจารย์มาก่อนนี่พอท่านมาเชงโงก็เลยเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติท่านบอกเลยว่าท่านไม่พูดไรเลยนะทีแรกผมบอกท่านว่าอยากปฏิบัตินะท่านก็เขมานั่งเก้าอีโยกเราก็นั่งกรอฟังธรรมะไม่เทศหรอกนั่งหลับตาเงียบไปเกือบชั่วโมงเนี่ยเราก็นึกโอ้หลวงปู่อายุมากแล้ว เกือบร้อยปีแล้วฉันข้าวเสร็จก็หลับไปแล้วนะหลับไปแล้วล่ะเมื่อไหรจะตื่นนอะเราจะได้ฟังเทศอะไรเงี้ยรถไฟก็จะออกซื้อตั๋วไปแล้วด้วยจะต้องกลับออกมาสิบโมงกว่าๆอะไรเนี้ยหนะ <c oughs> ลวงปู่ก็หลับไปซะแล้ว <c oughs> เกือบชั่วโมงแนละ้วาลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยว่า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 แล้วปู่บอกให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตเป็นยังไงไม่รู้จะเอาอะไรไปดูไม่รู้จะดูยังไงไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไม่ได้ถามท่านสักอย่างเลยท่านบอกว่าอา่นานหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อา่านจิตตนเองตกใจเลยอันวนี้ตกใจแล้วตายและว่ะอุตส่ามาสุรินนะแทบแย่เลยนะกว่าจะไปถึงเที่เราไปเดินหาวัดท่านตั้งนานนะ่ทนะที่ไปถามก็ว่าวัดบูรพารามอยู่อำเภอไหนอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้จักเลยแปลก เมังไปเจอจราจรนะอยู่ที่สี่แยกไปถามว่าวัดบูรพารามอยู่ไหนเขอยู่หลังตึกแถวนี้แหละบอกเอา้าเราถามคนทั้งเมืองสุรินไม่มีใครรู้จักบอกคุณไปถามว่าวัดบูรพารามไม่ร้จักนะเกาเรียกวัดบูนไปถามผิดชื่ออะไรอย่างเงี้ยรบมาก็ยากนะแถมถามธรรมะ ม, ม, มาแล้วไม่รู้จะปฏิบัติยังไงอีกตกใจจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้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 อยู่ในกายนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะแต่ว่าอยู่ในกายนะไม่รูจิตอยู่ที่ไหนหรือจิตอยู่ที่ความรู้สึกสุขแล้วนะทําสมาธนะิปุ๊บเดียวแล้วก็มีความสุขลนะทาสมาธิมันานนะเนึ่งพอมีความสุขดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขสลายตัวไปนะเมื่อเห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ความสุขหรือจิตอยู่ที่ความทุกข์คราวนี้นั่งไม่ให้กระดิกเลยนะ นั่งให้มันปวดมากเลยปวดก็นั่งดูไปดูดู ด, ดจนมันหายปวดแล้วมันชาไปเลยมันหายปวดไปแล้วไม่เห็นมีจิตโผล่เข้ามาอีกะเมื่อค้นคว้าอยู่นะในกายก็ไม่ใช่ในเวทนาก็ไม่ใช่เขฝึกคิดต่ออีกเพราะว่าหรือจิตอยู่ในความคิดเราจงใจคิดเลยคิดโปรดส่วนมนต์นะพุทธโธสุสุธโธกรุณามหันโโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหนันต ตอนที่เห็นตอนที่คิดบทสวมดมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันเห็นความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาจากความว่างนะพุโทโธสุดๆโธมันผุดขึ้นมาจากความว่างๆจิตเป็นคนดูอยู่พอไปเห็นกระทบจิตไปรู้ทันว่าจิตคิดท่านนั่นเองนะจิตรู้เกิดขึ้นมาทันทีเลยนะเลยรู้โอ้จิตเจอจิตแล้วนะถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดนะไม่ไปกรเลยนะ ถ้าจิตรู้กับจิตคิดเป็นสิ่งตรงข้ามกันถ้าสังเกตให้ดีการสอนกรรมฐานของหลวงพ่อนะจะสอนกลับข้างนะจะสอนกลับข้างตลอดเลยนะเช่นให้รู้ว่าผิดนะแล้วจะถูกเองอย่าจงใจทําให้ถูกถ้าจงใจทําให้ถูกไม่มีทางถูกเลยนะมีเน็ตไปทำม้านะเวลาปฏิบัตินะมันจะกลับหัวกลับหางเดูแปลกๆนะแต่ว่ามันสมเหตุสมผลมากเลยนะพอรู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดพอจิตรู้เกิดนะพะโถ่อย ไอ้จิตชนิดนี้นะตอนนั่งสมาธิมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะล้วไม่รู้ว่านี่คือจิตนะเวลาที่เรานั่งสมาธินะรู้ลมหายใจไปทีแรกลมหายใจมยาวไปถึงท้องนะแล้วหายใจแล้วลมค่อยสั้นเข้าพอจิตสงบนะลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะพอจิตสงบจริงๆแล้วลมก็หยุดหยุดที่ปลายจมูกนี่นะกลายเป็นแสงสว่างรงแสงสว่างนี่เราดูที่แสงสว่างนะไม่ต้องดูลมหายใจ อยู่ที่แสงสว่างแสงสว่างเล็กได้ใหญ่ได้นะจิตมีปีติมีความสุขขึ้นมาพอจิตมันจับอยู่ที่ตัวแสงสว่างคาเคล้าเคลียอยู่ที่แสงสว่างนนี่เรียกว่าวิตกวิจารณนะ์วิตกคือตรึกอยู่ในแสงสว่างวิจารณ์คือเคล้าเคลียอยู่ในแสงสว่างพอเรารู้ทันว่าจิตมันเข้าไปจับแสงจิตก็ถอดตัวออกจากแสงมาตั้งมั่นขึ้นเป็นตัวผู้รู้ดง <ilo> ั้นตัวผู้รู้ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยการตรึกการตรองในอารมณ์นะ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 เพงใส่มันนั้นระเบิดเปรี้ยงเลยนะจิตรู้ถอดออกมาอีกแเดี๋ยวเดียวเข้าไปกาะ อ, อีกแล้วนะหลุดออกมาได้พอตื่นเช้ามาอีกวันก็ไปเกาะเรียบร้อยอกันแล้วเพงอีกไม่ยอมระเบิดแล้วพรานี้กําหนดจิตแหลมเหมือนเข็มเลยนะแทงมันแทงแทงแทงแล้วมันเหมือนลูกโป่งเหนียวๆนะแทงแล้วมันฉลบฉาบฉา บ, บนะต้องค่อยๆอย่างให้ถูกจุดนั้นระเบิดโป้งหลุดออกมาอีกแล้ว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 รักษาไว้ตลอดเวลาเลยเพราะเวลาพวกเราภาวนานะระวังอย่าไปหลงรักษาตัวจิตผู้รู้ไวนะ้มันมีขึ้นมาแล้วมันสลายตัวไปเข้าไปเกาะอารมณนะ์เกาะอารมณ์แล้วสลายตัวไปมาเป็นจิตผู้รู้อย่างนี้ถึงจะถูกนะรักษาตัวจิตให้เด่นดวงอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ถูกหรอกมันไม่มีวิวปัสสนาไม่แสดงไตรลักษณ์หนะลวงปู่บอกให้ไปดูใหม่ครั้ น, นี้ตกใจหรือเป่าดูมาตั้งเยอะแล้วหลวงปู่ว่าดูผิดเองนะ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 บาทีเราก็มาจิตมันก็ย้อนมาดูกายมันก็เห็นว่าร่างกายก็มีความเปลี่ยนแปลงร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนนะเปลี่ยนอิริยาบทร่างกายเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวร่างกายเดี๋ยวก็หยุดนิ่งมีแต่ความแปรปรวนเหมือนกันร่างกายเดี๋ยวก็สุกร่างกายเดี๋ยวก็ทุกข์นี่มีแต่ของแปรปรว่ยนในจิตใจเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะ ตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งแม้นในขันท่าในกายในใจของเรานะมีแต่ของที่แปรปรวนตลอดเวลาเลยเนี่หลวงพ่อดูอยู่อย่างนี้แหละสี่เดือนวันหนึ่งพายุมาออกจากที่ทํางานตอนเย็นทํางานอยู่ทําเนียบรัฐบาลตอนจะเลิกงานเนี่ยโอ้พายุมาแรงมากเลยออกจากที่ทํางานตอนนั้นยังไม่มีรถขับนะ เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยสี่ห้าละมั่งนะพอออกมาพายุนะั้นมันพัดล่มเนี่ยกลับข้างเลยล่มนิรุ่นคุไปมนนะพเราพับเก็บลงมานะตักฝนไปเปียกฝนไปหมดทั้งตัวเลยแล้วหนีฝนไปหลบอยู่วัดโสมสมนัสข้ามคลองไปตีน้องชายบวชอยู่ที่นั่นนะไปถึงก็ที่กุฏิพระนะก้าไปนั่งนั่งกอดเข่าไว้ไม่กล้านั่งพับเพียบนะ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 คล้ายๆพายุโลกกําลังตึงตังน้ำฟ้าเปรี้ยงๆนะหายไปหมดเลยะร่างกายก็หายไปหมดเหลือแต่จิตเดียวนะ mm hmm. จิตมันก็พัฒนาอะไรของมันไปนะ mm hmm. พอมันถอยออกมาแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโอ้มันไม่เหมือนเดิมแล mm ้ว hmm. ใจเราไม่เหมือนเดิมะ mm hmm. ดูลงมาในกายก็กลวงๆนะดูแปลกๆไปะ mm hmm. ใจมันก็รู้นะว่าจิตมันไม่เหมือนเก่าแล้ว mm hmm. พอขึ้นไปหาหลวงปู่ดูลนะ mm hmm. เมื่อใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เจอท่านเจ็ดเดือนขึ้นไปแล้วท่านบอกว่าภาวนาเป็นแล้วเข้าใจอย่างที่ท่านบอกแล้วให้ทําต่อไปอีกเมนะื่อเลยได้หลักของการปฏิบัตินะว่าให้เรารู้อย่างที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงนะในใกายในใจเราเนี่ยอย่าไปตรึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คงที่ไว้นะให้เห็นแต่ของเปลี่ยนแปลงเช่น<ๆ>ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยว น, น, นอนเดี๋ยวนนสุขเดี๋ยวทุกข์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 พออนาเป็นนะก็อยากบวชนะอยากีกบวชแต่ยังบวชไม่ได้ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ไม่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บวชไม่ได้พอบวชไม่ได้ทำไงทำใจไม่บวชก็จะปฏิบัติก็อยู่มาเรื่อยๆนะต่อมาก็คิดอยู่ว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วจะไปบวชปรึกษากับแม่ชีนะเสร็จแล้วแกก็ไม่ตายจะที แสดงพ่ออายุ48นะแม่ตายเหลือพ่อลก็เข้าไปกระแซกันพ่อพ่อไปอยู่วัดได้ไหมไปอยู่วัดกันไหมพ่อใจเด็ดนะพ่อรู้ว่าอยากบวชนะเอาไปก็ไปเลยออกมาอยู่วัดเลยได้บวชนะตออายุ48แล้วพ่อก็มาอยู่วัดด้วยแม่ชีก็ไม่ได้บวชนะ แม่ชีก็เลี้ยงพ่อไปเลี้ยงพ่อของหลวงพ่อนะแม่ชีนี่เสียสละไปช่วยเลี้ยงตอนนั้นอยู่กับครูบาคนยังไม่บวชเหมือนกันอยู่วัดเนะี่ยสามคนนะช่วยกันทำงานสารพัดเลยนะเวลาโ ย, ยมไปแล้วสองคนล้างส้วมนะปั้มส้วมโยมก็ชอบเอาผ้าหนมามายอัดส้วมไว้ด้วยนะท่อตันกันนะปั้มกันน้ากระจายขึ้นหัวขึ้นหูกันทุกวันเลยนะ แล้วจนย้ายมาอยู่เมืองชนนะมีคนวัดมันใหญ่ขึ้นมีคนเยอะขึ้นสองคนถึงได้บวชบวดแล้วภาวนานตอนบวชอยู่เมืองกาญฯภาวนามีวันหนึงใจมันก็วางลงไปต้องก็ไปหยิบขึ้นมาอีกนั่นพรรษาแรกใจมันวางไว้หยิบขึ้นมาเพรามปล่อยวางจิตแล้วทำไมไม่ปล่อยเลยว่าดาันไปหยิบขึ้นมาอีกแล้วเขอ อ, อกพรรษาไปกราบหลวงปู่สุวัต ไปรายงานท่านตอนนั้นท่านอาการไม่ดีแล้วท่านเป็นอัมาพาตแล้วตหลังท่านช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะแล้ววี่ลงไปเรื่อยๆเกลือ น, น้ำลายก็ไม่ได้ต้องคอยดูดเรื่อยๆแล้วท่านไม่สบายมากเขาโดบยาไว้จนท่านเบลอไปหมดเลยขาท่านก็เข็นหลวงปู่ออกมาหลวงพ่อก็เข้าไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อก็หลวงปู่ก็เบลออย่างเงี้ยนะจะบอกท่านหลวงปู่ครับ คูบาาจารสอนให้ผมดูจิตหลวงปูก่ก็ฮึกลับมารู้สึกเลยนะมผมวางจิตลงไปหลวงปู่หึแล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาอีกไปหยิบมาทําไมไปหยิบมาทําไมะไม่มีอะไรแล้วนะปล่อยไปเลยเราก็นึกในใจหลวงปู่พูดง่ายนะปล่อยไปเลยถ้ามันไม่ปล่อยอ่ะ <g ül> ใจมันขาด มันรู้นะว่าขาดแต่มันไม่รู้ว่าขาดอะไรเพะว่าภาวนากันต่อมานะวันหนึ่งนั่งสอนโยมเสร็จหมดแรงมึงไปนอนนอนอยู่จนบ่า ย, ายเย็นทุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็นั่งเล่นแล้วไม่รู้จะภาวนาไงละภาวออนาทุกแง่ทุกหมุมแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยยังมีกิเลส ท่วมหัวอยู่อย่างเก่าสู้กิเลสไม่ได้สักทีนั่งดูต้นไม้ดูอะไรเนะนี่ยใจมันเข้ามาถึงจุดที่จนมุมนะอยู่สิบห้าวันนะจนมุมแล้วนั่งดูต้นไม้ดูอะไรไปใจก็ค่อยๆมีความสุขนะใจมีความสุขขึ้นมาอยู่ๆเป็นพลิกตัวทีเดียวนะม่นกลายเป็นตัวทุกข์เมื่อใจมันกลายเป็นตัวทุกข์เนี่ย แต่เดิมเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราดูปั๊บนะขาดสะบั้นหมดเลยนะแล้วมันไม่ทุกข์มาตั้งนานแล้วนะนี่อยู่ๆมันทุกข์ขึ้นมาฉับพันโอเห็นทุกข์เห็นโทษเราแค่นี้ก็รอดคือพอมันทุกข์นะมันมันไม่ขาดยิ่งดูยิ่งทุกข์เหมือนเอาภูเขาทั้งลูกนะลงมาบดเลยปวดขยี้ในจิตนะ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 ไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ช่างมันมะคนอื่นเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเถอะจะเป็นอะไรก็เป็นนะเนี่ยต้องยอมตายนะภาวนาแบบสู้ตายคือบาอาจารย์สอนไว้อย่างนี้นะค่อยหัดค่อยหัดเอาคือถ้าไม่เห็นทุกเห็นโทษนะไม่ปล่อยหรอกถ้จะยึดถืออยู่ถ้าเห็นทุกเห็นโทษมันก็จะปล่อยวาง เราภาวนามีสติรู้กายรู้ใจไปเนี่ยจะเห็นทุกข์เห็นโทษไปหมดเลยกายนี้เป็นทุกข์เป็นโทษมมีแต่ความทุกข์นะแต่เดิมไม่ไม่ภาวนาภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ได้พอสมควรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่ภาวนาเต็มที่แล้วนะจะรู้สึกเลยร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะ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 เพราะความทุกข์นี่บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยมันน่ากลัวขนาดนี้นะร่างกายเนี้ยไม่ดีเลยหยุดหายใจเมื่อไหร่เน่าเลยตายเลยนะบางคนแข็งแรงดีนะหผมก็เคยรู้จักแม่ครัววัดหนึ่งไปทีไรแกหุงข้าวให้กินด้วยวันหนึ่งแกกินข้าวเช้านี่แหละแล้วแกสำลักสำลักแล้วอาหารอุดหลอดลมตายเลยตายขนาดนั้นเลย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 หลวงปูดูลท่านเคยสอนว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะไปเป็นผีใหญ่ไปเป็นพรหมพราะมาติดตัวที่จิตใจมีความสุขนี่เองนะต้องภาวนาไปจนเห็นเลยจิตมีแต่ทุกขนะ์ถ้าเห็นจิตมีแต่ทุกข์ได้จริงๆจิตถึงจะปล่อยได้นะเราค่อยๆฝึกไปส่วนหลวงพ่อเมื่อไหร่ชาติไหนปล่อยได้ก็เอาทั้งนั้นแหละนะชาตินี้ถ้ามันไม่ปล่อยก็ช่างมันชาติหน้าจะไปทํำอีกนะไม่กลัวหรอก สู้ตายถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆ น, นะเราถึงจะปล่อยวางได้เพราะั้นอย่างบางคนพูดกันนะว่าอย่าไปยึดถือสิอย่าไปยึดถือสิออสพูดแต่ปากอะ่ะมันไม่มีวิธีการเรียนรู้ของจิตนะจิตจะไม่ไม่คลายความยึดถือเรายัางไงมันก็ยึดอยู่นะเพราะฉะนพวกเราพาให้จิตเรียนรู้นะพาให้จิตเรียนรู้กายพาให้จิตเรียนรู้จิตใจของเราไปเรื่อยอย่าอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆ รู้สึกตัวไว้เรื่อยๆแต่ไม่ใช่รู้สึกจนแข็งเปื้ิดอยู่ทั้งวันนะให้รู้สึกแล้เผลอไปไม่เป็นไรรู้สึกแลบเผลอไปไม่เป็นไรดีกว่ารู้สึกยี่สิบสี่ชั่วโมงรู้สึกยี่สิบสี่ชั่วโมงย่ารู้สึกว่าตัวรู้เที่ยงตัวรู้เที่ยงใช้ไม่ได้นะไม่ผ่านจริงหรอกแล้วให้ให้เห็นเลยตัวรู้เองก็เกิดดับแต่ว่ามีตัวรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นถ้าไม่มีตัวรู้ยังมีแต่ตัวคิดเยจะดูกายดูใจไม่ได้จริงจะไม่เห็นความจริงของกายของใจ เพรานเรารู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะขั้นที่หนึ่งฮะรู้สึกตัวใจหนีไปเรารู้ทันเขารู้สึกตัวได้แล้วดูกายทํางานดูใจทํางา น, นดูเหมือนดูคนอื่นเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนนะค่อยฝึกอย่างนี้แล้วมาดูจิตดูใจไปเห็นจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย บังคับไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นะมีกิเลสบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเฝนะ้ารู้เฝ้าดูไปนะสุดท้ายมัจะเห็นเลยทั้งหมดนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษนะถ้าเห็นทุกข์ไดกก้ก็ก็เห็นธรรมแหละทำไมเห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอยนะไปทำใจให้ว่างทำใจให้นิ่งเรื่องของสมถตาทั้งสิ้นเลยใช้ไม่ได้นะบางคนเนก็ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่าง กระคองจิตให้นิ่งให้ว่างเรื่องของสมถะบุคคลบอกไม่ยึดถืออะไรเลยโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนั่นมิจฉาทิฏฐิะโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยโลกนี้ถ้ามีเหตุก็มีหมดเหตุถึงจะดับสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอนัตตาแต่ว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจไม่มีตัวตนถาวรไปค่อยๆศึกษานะ ขั้นแรกรู้สึกตัวใครจิตเคลื่อนไปบ้างตามเสียงโทรศัพท์มีไหมไหนยกมือซิกลหารมีผู้กราหารบางส่วนอีกพวกหนึ่งหนีเหมือนกันแต่หนีไปที่อื่นไม่ได้หนีไปที่โทรศัพท์เลยไม่ยกมือ <c oughs> <laughs> พอไหวไหมอาารพอนามไม่มีอะไรมากหรอกนะรู้สึกตัวไว้แล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานไป รู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่ได้นะมารู้สึกตัวเฉยๆมันก็รู้สึกตัวเฉยๆไปตลอดนั่นแหละไม่เกิดปัญญาจะเกิดปัญญาได้รู้สึกตัวแล้วก็เห็นกายเขาทำงานเห็นใจเขาทำงานเหมือนเห็นคนอื่นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นนะความโกรธเกิดขึ้นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาเป็นลาดับลาดับนะ ถ้าเบื้องต้นเป็นพระสดาบันโสดาบันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยศีลบริบูรณ์หมายถึงเป็นศีลอัตโนมัติถ้าจะต้องทำผิดศีลเนี่ยจะละอายแก่ใจทำไม่ลงเลยแล้วจะกลัวผลของการทำบาปมากเลยก็นะเลยไม่อยากทำผิดศีลไม่กล้าทำผิดศีลนะมีสมาธิเล็กน้อยให้จิตตั้งมั่น ได้แปพบกหนีเหมือนพวกเรานี่แหละพวกเรานี่สมาธิจุ๋มจิ๋มนะยิ่งกว่าเล็กน้อยอียสมาธิจุ๋มจิ๋มนะยิ่งกว่าเล็กน้อยอีกพรนะโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยคือตั้งขึ้นมาได้แวบเดี๋ยวก็ไหลแล้วตั้งขึ้นมาได้แวบเดี๋ยวก็ไหลแล้วไม่ตั้งมั่นตลอดหรอกนะแต่ถ้าปุถุชนบางคนฝึกเพ่งจิตนะก็จะตั้งอยู่ได้ทั้งวันนะพอตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมที่ไม่มีร่างกายพรหมแนวรูปพรหม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 นะไม่มีตัวเราพอพาวนาต่อไปเป็นพระสกทาคานะ ส, สกทาคามีเนี่ยมีศีลศีลบริบูรณ์เหมือนกับพระโสดานี่แหลนะมีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิปานกลางก็คือใจนี้ตั้งมั่นอยู่เยอะแล้วไนะหลแฉลบแวบเดียวก็จะกลับมาล้ไหลแวบนี้กลับมาแล้วนะ ถ้าพระโสดาจะไหลแวบๆค่อยมานะแล้วก็อยู่ตรงนี้นิดเดียวนะเมื่อตรงนี้แต่หากที่แวบในตรงนี้แวบนะตรงนี้แวบอยู่ได้ตรงเนี้ถ้าพระสกทาคามจะตั้งอยู่นะถ้าไหลไปโน่นนิดเดียวก็จะรู้สึกแล้วเมื่อกลับมานะสมาธิปานกลางทําไมปานกลางอย่างไหลยอยู่ ยังไหลอยู่ยังเคลื่อนอยู่นะมีปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นอย่างพระโสดาเห็นแหละ ย, ยังไม่ได้ล้างอะไรมากกว่านั้นนะก็เห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแลนะพอานาพิออกนะถึงขั้นของพระนาคามีนะท่านจะมีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางนะปัญญาก็กระเถิบนะ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 ยินดีในรูปเรียกว่ากามกามราคะนะยินร้ายในรูปเรียกว่าปฏิฆะดัง น, นั้นผ้าหนักคาเนี่ยละกามและปฏิฆะได้เพราะว่าหมดความยึดถือในกายแล้วนั่นเอง <นะ S 1> บางท่านเห็นพิจารณามาดูกายมาเห็นกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วหมดความยึดถือในกายพวกนี้ดูกายมาแล้วก็บรรลุผ้าหนักคาพวกที่ดูจิตจะบรรลุผ้าหนากคาเนี่ยด้วยการเห็นว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตจะทุกข์ จิตก็เลยหมดความแสบสายออกทางทวารทั้งทั้งห้านะตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปแล้วนั่นเป็นอัตโนมัตินะเมื่อจิตไม่ไหลไปในกามจิตก็ทรงอยู่ในฌานเท่านั้นเองอยู่ในสมาธิเท่านั้นเองใจท่านจะตั้งมั่นเด่นดวงมีสมาธิอยู่ด้วยไม่แกว่งไปเพราะกามสมาธิเนี่ยศัตรูของสมาธิคือกามนั่นเองกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่เราไปติดอกติดใจนั่นแหละใจแสบสายออกหาตลอดเวลา เนี่ยพระนาคานะสมาธิท่านบริบูรณ์โดยไม่ได้เจตนารักษานะตัวรู้จะเด่นตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นทั้งวันเลยนานๆมองทีหนึ่งแต่ว่าไม่สังเกตหรอกรู้สึกว่ากูแน่เว้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนกายเลยนะ <c oughs> ปัญญาปานกลางก็คือเนี่ย <c oughs> เห็นความจริงแล้วกายนี่เป็นทุกข์ล้นล้วนหรือเห็นความจริงแล้วว่าถ้าอยากถ้ายึดในอารมณ์ภายนอกนะจะมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ปัญญาระดับกลางนะ พอพ่าภาวนาต่อไปจนถึงปัญญาขั้นสุดท้ายเลยนมะันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกพระพระอนาคาร์นะท่านได้สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันต์เนี่ยสมาธิบริบูรณ์ปัญญาถึงที่สุดลนะปัญญาถึงที่สุดเนี่ยท่านเห็นแจ้งแล้วว่าขันธ์ทั้งปวงโดยเฉพาะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์ท่านเห็นทุกข์เห็นโทษของขันธ์ทั้งปวงหมดความยึดถือในขันธ์ทั้งปวง พมหมดความยึดถือในการทั้งปวงนะจิตสลัดตัวออกจากขันจิตจะแจ้งพระนิพพานเพราะฉะนั้นพระนิพพานนี้เป็นสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ mm hmm. อย่างพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับส่วนพระอราหันต์จะไปเห็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ mm hmm. จะแจ้งในธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพาน mm hmm. เวลาท่านมานัสิการท่านระลึกถึงพระนิพพานเนี่ยจิตก็สัมผัสพระนิพพานเลยนะ mm hmm. จะมีความสุขมีความเบิกบานมีความแช่มชื่นอยู่ตลอดนะ เวลาออกมาอยู่กับโลกนะก็มาสัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจก็คิดนึกเหมือนคนธรรมดา น, นั่นเองนะไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่คิดบางคนไปวาดภาพภาพาาระอรหันเหมือนคนพิการหรือเหมือนโรบอทยิ้มก็ไม่ได้นะยิ้มหาว่าโลภหน้าบึ้งไปก็ไม่ได้ว่าโกรธต้องทายากอหรอแค่ไหนพอดีหันะนมากก็ไม่ได้ว่าหลุกหลิก นะลำบากมากเลยนะเราไปวาดภาพเอาคนพิการมาเป็นพระละหันทนะนะี่จริงถ้าไปดูในพระสูตรนะจะรู้เลยว่าพระลรหันแต่ละองค์นี้ท่านไม่ดัดจริตนะท่านไม่แกลง้งทำอย่างพระสารีบุตรนะท่านเป็นคนที่ว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วนะมีอยู่ในพระสูตรเนี่ยสะท้อนได้หลายตอนเลยอย่างท่านเดินไปเจอทั้งร่องท่านกระโดดข้ามเลย ไม่ใช่เดินย่องย่องไปถึงท้องล่องก็ไปยืนพิจรารณาท้องล่องอยู่ชั่วโมงนะค่อยๆหมุนตัวไปหาไม้กระดานมาพาดไว้เพราะไม่มีหรอกเสียเวลานะไปสู้เดี๋ยวถีไม่ไหวท่านโดดเลยนะหรือว่าท่านจะกล่าวหนึ่งท่านลาพระพุทธเจ้าจะไปจาริกเมืองอื่นพระก็ไปส่งเยอะเลยท่านก็ฟาดสังคติไว้หมุนไปหมุนมาเนี่ยสังคติไปฟาดถูกพระองค์หนึ่งเข้านะพระองค์นั้นอะเซลจัด คิดว่าพระสารีบุตรจะต้องพูดกับท่านด้วยมี่พระสารีบุตรไม่ได้พูดกับท่านเพราะว่ามีพระต้องคุยด้วยเยอะองค์นี้ไม่ได้คุยด้วยแกโกรธเลยนะไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรประหารฆ่าพระองค์ประหารแปลว่ า, า, าะวะตีพระพุทธเจ้ารู้แล้วไม่ใช่เหรอพระสารีบุตรอยู่ตีใครไปเรียกมานะไหนๆเขาฟ้องแล้วก็ไปสอบสวนพระสารีบุตรท่านบอกเลจิตของท่านเหมือนแผ่นดิน แผ่นดินนี้นะเอาน้ําหอมไปใส่ก็เฉยเฉยนะเอาของสกปรกไปทิ้งใส่ก็เฉยเฉยนะจิตท่านไม่หวั่นไหวจิตท่านเหมือนน้ำํำแม่น้ําเนี่ยเอาของหอมไปใส่เอาของเหม็นไปใส่ก็เฉยเฉยจิตท่านเหมือนลมนะพัดผ่านสิ่งที่สะอาดหรือสิ่งที่สกปรกก็เท่าเทียมกันจิตท่านเหมือนไฟนะเอาของดีวิเศษแค่ไหนไปเผาหรือเอาของสกปรกไปเผาก็าเผาเหมือนกัน จิตของท่านไม่มีอะไรแตกต่างเลยจิต ท, ท่านไม่เคยประทุสร้ายใครแล้ท่านก็บัรลืเรียกบัลลืศรีหนาท์นะจิตของท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยเพระองค์ น, นั้นนี่เหงื่อแตกเลยสุดท้ายต้องขอขอมาท่านแม้ว่าท่านไม่ดัดจริตท่านเป็นอย่างนั้นจีหลวงปู ด, ดูในกรงนะหลวงปู ด, ดูเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะรับรองไม่ได้หรอกเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะแต่หลวงพ่อเชื่อว่าท่านเป็นก็เราเชื่อใครจะว่า เห็น ไ, ไหมเป็นความเชื่อนะไม่ได้บอกว่าใช่นะเป็นความเชื่อเดหลวงพูดโดนนะไม่ดัดจริทเลยนะเวลาเดินออกมาจากกุฏิแนละ้วใส่อังสาออกมาสบองนะ่ะต้องนุ่งอยู่แล้วเรนี้ใส่อัลสายออกมาคนมากราบนะก็นั่งรับแขกเลยนะไปเจอที่กุฏิศาลาไหนนะอยู่ที่หอละคังไหนนะเจอใครรับแขกตรงนั้นแหละทําได้ตลอดมีโยมาว้าผม นวมไปถวายหน้าร้อนนะซื้อมาตั้งแต่หน้าหนาวแล้วไม่ได้มาถึงหน้าร้อนเอาไปถวายท่านหลวงปู่ช่วยห่มผ้าจะถ่ายรูปหน่อยจะได้ปลืม้มหลวงปู่เฉยไม่เอาไม่มีเหตุผลทําไมต้องห่มผ้าหน้าร้อนปู่ไม่ตามใจไนะมท่านไม่แกล้งทําปู่ประชาชนพ่าเป็นหลานท่าน พอเข้าไปแล้วก็บอกหลวงปู่ทาไมหลวงปู่ไม่ตามใจเขาล่ะเขาโกรธแล้วรู้ไหมเขาไม่พอใจรู้ไหมบอกรู้ที่เขาไม่พอใจเขาใจเขาไม่มีความพอ <c oughs> นะท่านบอกว่าถ้าจะให้ท่านทํากิริยามารยาทให้น่านับถือแค่ไหนท่านก็ทําได้พราะก่อนบวชเนี่ยท่านเป็นนางเอกละคร <c oughs> ละครสมัยโบราณใช้ผู้ชายเล่นนะเป็นนางเอกนะแต่ท่านไม่แกล้งเนะ พระแท้ๆไม่แกล้งหรอกนะคือยาท่าทางไงก็เป็นอย่างนั้นเนหะยื่อใจารย์มหาบัวกระดกกระเดกกระดกกระเดกนึกไมะท่านงามของท่านนะใครไปเรียนแบบไม่งามหรอก <c oughs> หรือแต่หลวงปู่เทศนะ์งามมากเลยถ้าใครเรียนแบบก็งามไปด้วยแต่ลองค์ไม่เหมือนกันงั้นะเราอย่าไปวาดภาพนะอย่ปจอมแปลงตัวเองเราเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะนะไม่ต้องทําเป็นเก๋ไก๋เอาแบบใครเขาหลอกนะ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 รู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเราเป็นยังไงรู้สึกดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้นะช่ว ย, ยังได้เลยแต่ชั่วขึ้นมานี่มีสติรู้เนี่ ย, วยความชั่วจะครอบงําจิตไม่ได้รับรองไม่ทําผิดศีลศีลนะนาตันดรมั่นจะเกิดพอไหวไหมนานนานมาทีเทศให้ดูเดือดหน่อย <laughs> <laughs> มีพระนะ บางโอ่ก็ว่าหลวงพ่อนะทําไมท่านเทศอย่างนี้นะอย่างเนี้เก็ต้องเทศคนน้อยๆนะแบบมาถามคนต่อคนอะไรเงี้ยนะทีแรกบอกว่ายาวธรรมะลึกซึ้งไปสอนโยมนะธรรมะอย่างเนี้เขาสอนกันในหมู่พระบอกอา้าวก็โยมก็เรียนได้อ่ะใช่ไหมืม่อเห็นว่าต้องเป็นพ้าเรียนเลยพ้าไม่ค่อยอยากเรียนด้วยซ้ํำไปค้าจะเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนอะไรกันไปนะ บอกว่าสอนคนหมู่มากไม่ได้พระพุทเจ้าไม่เคยห้ามนะสอนเรื่องรูปนามอะไรเงี้ยนะลึกซึ้งบอกว่านาทบินทิกาเนี่ยเคยขอร้องพระส า, ษ า, ษ า, ษ า, ษารีบุตรไว้ว่าให้ช่วยสอนกับครว่าตบ้างธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งพวกเนี้ยครว่าตที่มีบารมีสูงเนี่ยมีอยู่นะถ้าไม่ได้ฟังเขาอยู่เสียโอกาสในหลวงพ่อก็มุ่งเอาธรรมะเป็นหลักนะจริงๆ ในสายตาที่มองพระคารวาสเนะี่ยไม่ใช่ต่างหรอกเป็นพระก็เป็นโดยสมมุตินะเป็นคารวาสก็เป็นโดยสมมุติเรามหัดภาวนานะธรรมะไม่มีพระมีคารวาสอะไรหรอกถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมก็เข้าถึงธรรมมันเดียวกันนะเป็นคารวาสก็กลายเป็นพระได้นะเปลยนพระได้ถ้าคารวาสเข้าถึงธรรมอย่างสุปฏิปันโนพระคารวะโตสาวะกะสังโคไม่เห็มีตรงไหนเลยที่บอกว่าเป็นพระ สุปฏิปันโนพระคาวาโตสาวะกสังโโพระสาวกไม่ได้บอกพระสงฆ์ด้วยมนะั้งสาวะกสังโโสังโโกลุ่มสงฆ์แต่สงฆ์นะสังฆะตัวเนี้ยนะสังฆะตัวเนี้ยเป็นกลุ่มนะไม่จำเป็นว่าต้องใส่เครื่องแบบอย่างนี้นะพวกเราจิตเป็นพระสงฆ์ก็ได้ถ้ะภาวนาให้ถึงที่จริงๆก็เป็นสุปฏิปันโนได้นะก็อยู่ในบุคคล สี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษโสดาสกคาคานาคาอรหันโสดามารคโสดาผลคู่หนึ่งสกคาคามาร์คสัคาคาผลคู่หนึ่งนาคามาร์คนาคาผลอรหัตมารหัตผลแปดจําพวกพระรยะแปดจำพว ก, พวกไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะเป็นโยมก็เป็นพ ร, นะระได้ส่วนที่หลวงพ่อเ น, นี่ยเป็นพระสมมุติสมมุติแล้วเราใส่เครื่องแบบแบบนี้สมมุติว่าเป็นพระ โยมก็สมมติเป็นโยมนะนั้นเราทำใจของเราให้เข้าถึงธรรมะเราก็เป็นพระได้นะนะเอานะพอสมควร <c oughs> จะสู้ไม่สู้อ่ะอ๋ <c oughs> อต้องสู้นะ <c oughs> ไม่สู้ก็แพ้แพ้ก็ตายเปล่าทุกแล้วทุกอีกตายแล้วตายอีกธรรมะไม่เคยเก่านะสองพันหกร้อยปีผ่านมาธรรมะก็อันเก่านั่นแหละของเดิมไม่ล่าสมัยหรอกจบแล้วนะไม่มีใครถามหรืออา้าวเบอร์หนึ่งว่ามา ไม่ต้องจดก็ได้นะไล่ทีละคนนะเอาเบอร์หนึ่งเอาเวลาเป็นที่ตั้งนะได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ <c oughs> ยังไม่เคยรายงานผลการปฏิบัติเคยแต่ขอให้หลวงพ่อทําทุกทีก็ชอบคนนี้ใช่ไม้มชอบให้หลวงพ่อทําให้ดูเราดูก็ดูได้บางส่วนใช่ค่ะรู้ไห ม, ไมว่าจิตมันขาดอะไรมันยังไม่ปล่อยอ่ะค่ะหลวงพ่อทำไมมันไม่ปล่อย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 เราเมื่อก่อนที่สุรินมีพระองค์หนึ่งหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังป่ะะท่านไปเรียนแบบเล่นแบบไม่ได้ท่านไปเรียนผลต้องเรียนเหตุนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจิตเหมือนหลวงพ่อต้องเรียนเหตุอย่างหลวงพ่อเปมีสุติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าทิ้งหลักนี้นะหนูก็พอกคล้าย จ ะ, จะเล่าให้หลวงจะให้ราย ง, งานที่หลวงข้อทราบว่าที่ทําตามหลักตามเบสิคได้ผลอะไรมาบ้างด้วยครับ<อ>ไม่เคยบอกให้หลวงพ่อผักหลวงพ่อเลยที่ว่าถึงกระโดดไปทําผลอย่างเดียวเอก็ที่ผ่านมาก็บางทีก็ได้สภาวะที่จิตที่หัวกับที่อกมันแยกกันไอ้ตัวนี้บ้นผลเนีตัวนี้มันก็เงียบเงยบสบายๆมันไป<อ>แล้วก็สภาวะที่กายจิตอะไรนี่มันแยกตัวจากการเวทนามันก็อทู่ห่างไปเออต้องอย่างนั้นสิค่ะ อังห่างไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไปเจอสภาวะธรรมที่มันที่มันบังคับไม่ได้มันเป็นของมันเองมันทาของมันเองแล้วถ้าไปยุ่งกับมันนี่กลายเป็นเพ่งอืค่ะแล้วก็บางกีก็เดี๋ยแทรกนิดหนึ่งขนาดนี้มีเพ่งอยู่ไหมขณะนี้เอ็กไซ์ค่ะเอ็กไซ์นะตรึงภายในอยู่ใช่ไหมดีที่รู้นะแล้วถ้าถ้าพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็หายห่วงแล้วหลวงพ่อเป็นห่วงตั้งแต่พยายามมาดูจิตหลวงพ่อแล้วล่ะ เดี๋ยวหนูจะที่มาให้ฟังว่าทาไมก็เสร็จแล้วก็มีอีกประเภทบอกว่าตอนหลังก็เริ่มรู้สึกว่ารู้ทันว่าถ้าไปสนใจความสุขจากทางกายเมื่อไหร่เนี่ยจิตมันเหนื่อยทันทีเพราะว่ามันจะต้องวิ่งออกไปต้องรีเซิร์ชก็เลยแบบถอยออกมาแล้วก็อยู่นิ่งๆได้มากขึ้นรู้สึกว่าตั้งมันได้ง่ายขึ้นเออแต่เราไม่จงใจนะไม่งั้นเราก็จะยินดีกับอันนี้ยินร้ายกับอันน้นนะถ้ายังมีสิ่งที่อันนึงชอบอันนึงไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่นิพพาจริงอรอกไม่ปล่อยหรอก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 สว่างแต่ว่ามันลึกซึ้งมันไม่เหมือนสุขจากเวลาทําสมาธซึ่งหนูก็ทําไม่เป็นนะคะมันบังเอิญเข้าไปคนเดียวที่ตอนที่จิตมันสว่างแล้วโลกมันดับอันนั้นมันมันมีความสุขแต่ว่ามันไม่ลึกแล้วก็มันก็ไม่จ้าเท่าก็อันนี้ก็คือของใหม่เพราะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือหนูว่ามันก็แค่ผ่านมาผ่านไปมีแต่อันสุดท้ายนี่ที่น่าสนใจเพราะหนูยังไม่เคยเจอของใหม่ก็จะตามดูต่อค่ะอืทีนี้คําถามก็แค่ว่า ในเมื่อหนูจะไม่ค่อยได้ใจหลวงพ่อเนี่ยคะ่ะหนูจะเอาสภาวะธรรมสักสามสี่ตัวเป็นตัวประกบตัวเองไว้ว่าไม่ให้ผิดทางก็ที่อันนึงก็คือไอ้ช่องก ล, ลวงในอกอาคขามันเพิ่มมากขึ้นเดิมทีมันจะเป็นดำๆห่อห อ, หอแน่นๆนใช่ไหมคะมันก็สว่างมีแบบเดินรอบในข้างใน อ, อ, อ, อกได้แล้วก็ตรงกลางที่มันแน่นกงเปลี่ยนเป็นมูัวก็คงจะเอาเป็นตัวชี้ต่อว่าถ้าถูาถกทามันน่าจะสว่างขึ้นใช่ไหมคะ ได้นะคะสว่างขึ้นมามันก็เป็นผลนะค่ะถ้าถึงขีดสุดมันก็เป็นว่างสว่างบริสุทธิ์ค่ะหยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสียอย่างค่ะคือแค่เป็นเลิกแพทยเป็นตัวบ่งชี้แล้วก็แต่ต้องระวังนะค่ะตัวอื่นเนี่ยกลวงไปหมดแล้วแต่ตัวจิตไม่กลวงด้วยเลยจิตยังเป็นเรานะค่ะ ใช่ค่ะยังไม่ถึงเจ้าหลวงพ่อเอออย่างนี้หายห่วงละเป็นลูกเขยที่หลวงพ่อห่วงมากเลยคนเนี้ตั้งแต่ไปสวนสันติธรรมนะให้หลวงพ่อทำให้ดูอะไรเงี้ยก็อีกอันหนึ่งก็คือบางทีสังเกตจิตไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยเขาจะหลุดออกจากความเป็นขอบเขตของเขาได้เองเขาจะเ expand ออกไปได้เองแล้วขอบเขตมันจะเลื่อนล่างเข้าไปได้เองค่ะอันที่สแต่ขอบนี่ไม่หายหรอกนะ ขอบเนี่ยมันเป็นอาสวะกิเลสขอหุ้มจิตไหมอาสวะเนี่ยจะขาดสามครั้งครั้งที่สี่ก็ขาดสะบั้นไปเลย ฆ่าออกจากจิตไปเลยค่ะหนูเห็นเขาเลือนแต่เขาก็ไม่เคยขาดมันไม่ขาดไม่ขาะนั่นก็ปล่อยเขาอย่างนั้นดีนะไม่ใช่ปล่อยเขาอย่างนั้นนะให้รู้ทันเข้วไปรู้ทันอย่างเดียวค่ะค่ะอันสุดท้ายคือที่ถามหลวงพ่อไปเมื่อวันแรกก็แค่บอกว่าการอยู่ร่วมกันกับสภาวธรรมต่างๆให้แบบไม่ไปเปียกเบียนเขาไม่ไปจับเขาไม่ถูกครอบงําแล้วก็ไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาให้อยู่ร่วมกันธรรมดาแบบจิสระต่อกันจะเอาสามตัวนี่เป็นตัวประกบใช่ไหมคะพร้อมกับสภาวธรรมของหลวงพ่อ ที่หนูขอให้หลวงพ่อแสดงอะค่ะเอาเป็นหลักชัยเพราะจะต้องไปทางนั้นก็คือแค่นี้ค่ะพอจะอนุญาตให้พวกหนูเนี่ยขยันทำได้หรือยังคะเออถ้าแยกรูปแยกนามได้นะเห็นท้าเห็นขันทำงานไปตามหน้าที่ <c oughs> ไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันก็นกใช้ได้แล้วละ <c oughs> <c oughs> ่ะโอเคค่ะลงงพ่อมีอะไรจะตักเตือนลูงหน้าไหมครับราะอีกสองปีกว่าจะเจอหลวงพ่อะค่ะเดี๋ยคนนี้รู้จริงๆ แก้ใจให้มันถึงฐานนะสมาธิอ่อนค่ะทำไม่เป็นนะฝึกให้จิตตั้งมั่นจริงๆแต่จิตตั้งมั่นไม่ถึงขนาดเท่งเอาไว้นะสิ่งที่ขาดไปที่คือสมาธิจิตไม่เข้าฐานนี่ค่ะอ่ะเบอร์สี่เชิญใครฟังแล้วกลัวบ้างว่าคณนี้ภานานักกลัวจังเลยมีไหม เรามีเหมือนกันอกกลัวหลายคนกล่าวนมรดการเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่มีที่ภาวนา น, น้ากลัวกว่านี้อีกนะแต่ไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อหรอกแต่หน้ากลัวมาจากที่อื่นมาถึงก็ <laughs> โอ้อย่ากแ ก, แก้ไม่ไหวนะ <laughs> นี่ภาวนา น, น้ากลัวเอ่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 แล้วหลังจากนั้นลูกก็ได้ไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานาสิบวันเจ้าค่ะคแล้วก็ไปนั่งดูเวทนาด้วยจิตที่เป็นกลางคือไม่ได้เพ่งเลยเจ้าค่ะแค่รู้เวทนาแล้วก็ด้วยใจที่เป็นอุเบกขาดูวดมไ้ยว่ากายก็ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตือได้ไหม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 ลวกหลวงพ่อให้การบ้านมาบอกให้ลูกเนี่ยอย่าไปคลุกแล้วก็ไปฟุ้งในธรรมะมากเกินไปเพราะลูกนี่ชอบอ่านธรรมอ่านหนังสือธรรมะมากๆเลยเจ้ะค่ะมันทําให้ลูกมีความสุขเออเวลาเราอ่านธรรมะมีความสุขนะแล้วใจมันฟุ้งไปในธรรมะได้เจ้าค่ะเราวแ ล, วแลวอ่านด้วยสติที่ว่าเห็นว่ามันหลับเพราะว่าเวลาอ่านไปเนี่ยนะเจ้าค่ะมันก็จะเห็นว่าจิตคิด แต่ว่าไม่ได้ไปนั่งแปลอยู่ก็รู้ว่าจิตคิดก็รู้ว่าคิดจิตคิดจิตสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะให้รู้ทันอีกตัวนะใจมันมีความสุขเวลาเราเข้าเคลียกับธรรมะแล้วจิตมันมีความสุขให้รู้ทันเั้นแล้วจิตติดสุขตัวนี้เจ้าค่ะลูกติดสุขตรงนี้มากจนบางครั้งถึงขนาดอยากรีบกลับไปอ่านหนังสือต่ออให้รู้ทันนะเจ้าค่ะเราจะพ้นโลกก็ต้องไม่ติดสุขอย่างนี้เจ้าค่ะ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 แต่มันชอบไปดูเองแล้วมันจะแน่นมากเลยเจ้าค่ะมันแน่นแล้วไม่เอาเนาะลูกมันลูกเข้าไปในห้องพระเพื่อที่จะไปกราบกราบพระทําไหวพ้พระสวดมนต์พอลูกกะปุ๊บจิตมันก็รวมปั๊บเลยพอจิตมันรวมปั๊บลูกก็เลยไม่ไหวพ้พระแล้วก็นั่งสมาธิจิตมันก็จะเข้าไปดูเข้าไปดูตรงหน้าอกไปดูลมหายใจลูกก็จะแน่นแน่นมากๆแล้วกลูกก็ตั้งใจจะนั่งไปพะนั่งออกไปแล้วมันก็ ทุกมันก็เห็นแต่ก้อนถูกตรงกลางหน้าอกลูกก็เลยไม่นั่งอีกวันหนึ่งลูกไม่นั่งลูกก็ไปทําปกติเดินไปตามปกติแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยๆแล้วลูกไปเห็นว่าสติเจ้าค่ะที่เรียกว่าสัมมาสติมันผุดขึ้นมาที่กลางหน้าอกมันเห็นจิตที่มันเหมือนกัะดอกบัวมันบานขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้จิตที่มีตั้งมั่นที่เรียกว่าลักคนูปนิชานมังเจ้าคะ่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความสุขแล้วลูกก็รู้เลยว่า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 มีความสุขที่เกิดจากการไปรู้นี่แหละเจ้าค่ะตอนนี้ลูกมีความสุขขึ้นอีกแล้วจ้ะค่ะแล้วลความทุกข์ที่เคยมีเมาาื่อข่าเมื่อสองเดือนก่อนอ ม, มันหายไปมันมันพ้นตรงนั้นมาได้ออคือมองปัญหาในสิ่งที่ว่าเขาเป็นแต่ไม่ได้ทําไม่ติดเราไม่จําเป็นต้องไปทุกข์กับมัน เ, ออเหมือนที่หลวงพ่อเทศสอนอยู่บ่อยๆลูกชอบแต่ลูกก็ทําไม่ได้แต่ตอนนี้ลูกคิดว่าลูกทําได้เยอะดีขึ้นมากแล้วเจ้าค่ะเยี่ยมประม่านะวันนี้ทําได้วันหน้าจะกลับมาอีกก็ได้นะเจ้าค่ะจะไ ประมาทเจ้าค่ะนะไฟภาวนาขอพระคุณให้รู้ทันตรงที่จิตมันติดความสุขจ า, จากการที่ได้เข้าเคลียในธรรมะนะดูตัวนี้แหละเจ้าค่ะหาเบอร์ยี่บสองขอพระคุณมากเจ้าค่ะกรนันทสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูก็ฝึกสมาถามาได้ประมาณ สองสมปีตอนแรกไม่ทราบว่าตัวเองติดสมาธิอยู่ค่ะซึ่งมาเจออาจารย์คงศักดีมากเลยคือนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยทํำสมถะิแล้วไม่รู้หรือว่าทํำมิปัสนานะคหลวงพ่อประเทศเทศแล้วพอแยกได้การพอนําจะง่ายขึ้นแล้วล่ะค่ะก็พอเริ่มทราบตอนแรกก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติถูกเจ้าค่ะก็มารู้ว่าตัวเองติดอยู่กับความว่างค่ะก็พยายามพอเกิดอะไรปุ๊บก็ตัดแล้วก็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 นะก็พยายามมีสติไปนะรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยดีแล้วล่ะค่ะที่ทำอยู่หนูปฏิบัติอยู่ใช่ไหมคะดีนะแต่จิตต้องถึงฐานจริงๆนะถ้าจิตกระจายกว้างออกนอกเนี่ยไม่ถูกค่ะแล้วหนูช่วงทำงานนี่เป็นไปได้ไหมคะที่ว่าปฏิบัติทำงานแบบไหนใช้ความคิดหรือใช้ร่างกายคือ เป็นใช้ความคิดด้วยแต่ว่ามันเป็นการทำงานกับคนซะส่วนใหญ่อะค่ะเวลาเราเจอคนเราก็จะเจออารมณ์ต่างๆกันถ้าอย่างนั้นภาวนาง่ายที่สุดเลยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้าทำงานอย่างเขียนซอฟต์แวร์อะไรย่างนี้ทำไม่ได้นะเบอร์สิบเบอร์สิบร้างบนํากราบัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับอูมีพระเดชพระคุณด้วยออ ก็ปฏิบ okay. ัติแนวทางหลวงพ่อมาได้ประมาณสามปีได้แล้วครับก evet ็ต้องยอมรับว่าการหลงนี่ลดน้อยลงจะมีความรู้สึกตัวถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่มีปัญหาติดอยู่ตรงที่ว่าเวลาปฏิบัติตามแนวทางนั่งสมาธินะครับมันจะมีช่วงแก๊บคือรอยต่อระหว่างที่ว่าจะ จิตจะตั้งบั่นนี่มันจะวูบลงไปเลยไม่เป็นไรวูบลงไปไปพักอยู่หรือมันวูบแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาใหม่เหมือนจะหลับแต่มันไม่ใช่หลับอ๋อไม่เป็นไรจิตมันรวมให้มันรวมไปหน้าอย่าฝืนถ้าฝืนเนี่ยปวดหัวครัและรวมลงไปแล้วก็ขึ้นมาก็ดูต่อครับจิตเข้าพักเป็นเาคล่า ว, าวไม่เป็นไรเพราะผมก็ติดอยู่นานแล้วเลยรู้สึก มันเลิกปฏิบัติแล้วตอนนี้มาปฏิบัติแค่รู้ตัวอย่างเดียวไม่นั่งไม่ได้นะนั่งไปด้วยแล้วจิตจะวูบก็ให้วูบไปแค่มีสติรู้รูบไปพอมันขึ้นมาก็มีสติต่อจิตจะได้แรงนะไม่งั้นจิตจะไม่มีแรงจิตวูบลงไปจิตเป็นนอนจะได้แรงไม่ใช่ย่อหย่อนนะครับไม่ใช่ย่อหย่อนแล้วหลวงพ่อจะมีอะไรทุบไหมครับก็นี่ไงไปทำสมาธิเพิ่มขึ้น อ, อ่ะต่อไป verse สิบเจ็ดอ่ากลบน้ำมาสการหลวงพ่อค่ะยกมาอย่างนี้เลยโยมค่ะเออกลับนมาส ก, การหลวงพ่อค่ะคือตัวเองก็ไม่ได้ทำกรรมฐานหรือวิปัสสนาอะไรแต่ก็เห็น อ, อบางทีก็เห็นตัวเองโกรธตัวเห็นเศร้าใจหรือว่าเสียใจอะไรๆอย่างนี้นะคะค่ะกนะ็บางทีก็รู้ตัวปัจจุบนันหรือว่าเห็นตามหลังส่วนมากจะเห็นทีหลังทุกทีเห็นทีหลังนั้นถูกแล้วแต่ทีนี้ตอนที่โ<ะ>กรธเนี่ยน ะ, ะมีสติไม่ได้โกรธไปก่อนแล้วรวกกู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรวู้ว่าโลภนี่อะไรถูกค่ะแต่วันนี้อยากจะขอเมตตาท่านกรุณาอธิบายคําว่าอาจาระค่ะ ว่าต่างกันทานเป็นยังไงเอเดี๋ยวถามหมอคงศักก็แล้วกันนะคือไม่ไม่ไม่ไม่ทราบความแตกต่างจะได้ปฏิบัติจะได้ทําได้ถูกต้องค่ะน่ะอันนี้เดี๋ยวถามหมอคงศักก็แล้วกันนะค่ะค่ะยากงี้ตรงพ่อตอบไม่ถูกพยายามมีสตินะค่ะใจเคลื่อนไหวใจเปลี่ยนแปลงอะไรคอยรู้เรื่อยๆค่ะคอยรู้ทันเรื่อยๆ ขอพระคุณค่ ะ, ะเบอร์สิบเท่าไรเอ่ยสิบเอ็ดแล้วก็ต่อไปเบอร์สิบสี่ตัมาสการหลวงพ่อครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาพบหลวงพอ่อก่อนนี้ก็มีเพื่อนเคยให้เทปมาฟังขอผมก็เคยได้ทําปฏิบัติกรรมฐานคือถ้ามาดูตอนนี้แล้วเนี่ยผมก็จะขอเริ่มแบบว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับข อ, ขอถามคาถามหลวงพ่อเป็นพื้นฐานเพราะว่า ผมเคยกระทำกรรมฐานตอนทำไมบวชครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าผมนั่งดูลมหายใจโดยอะไรเนี่ยจิตใจมันจะวุบแหวบไปแล้วก็จะไม่ไม่เราไม่สามารถควบคุมได้เลย <S S S S S S แต่ที่ผมทำได้แล้วก็จิตใจสงบก็คือพวกทองตอนนั้นผมก็สวดสวดพวกปัจเจกสวด อพิโซดอะไรไปนเนี่ยตวจจนรู้สึกสงบอืแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ในป่าแล้วก็มีแสงสว่าง ม, มาจิตใจสงบมาก <c oughs> แล้วก็รู้สึกมีมีเห็นนิมิตมีพระองค์หนึ่งลอยมาอื <c oughs> พอพระลอยมาชน้าเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าพระองค์นี้คือใครเป็นเป็นใครเท่านั้นก็หายแบบว่าจิตใจไปอยากรู้ความอยากมันเกิดขึ้นแล้วก็ <c oughs> ติดตามไม่ทันมา <c oughs> ต, ตอนหลังมานั่ง แต่ผมก็มาทํางานก็ไม่มีเวลาจะนั่งมากถ้าไปนั่งในห้องพระนั่งที่ไหนเนี่ยถ้ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจะไปรู้สึกถึงเสียงนั้นแล้วก็มันเราไปแค่ไปแอนะไลส์มันแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆ เ, เพราะมันไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดนะไม่เกิดทีนี้อยากจะขอคําแนะนําหลวงพ่อว่าจะทํายังไงให้มีพื้นฐานเพื่อจะเกิดสมาธิแล้วก็แต่ที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังเนี่ยผมเข้าใจแบบว่าเข้าใจ ตามลําดับได้นะแต่ว่าไม่สามารถจะเข้าไปขั้นต้นที่จะทําให้ไปถึงที่หลวงพ่อได้คือสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะเราอย่าไปบังคับจิตให้สงบจิตมันเหมือนเด็กซนนิ่งเราบังคับมากมันยิ่งดือ้อเราก็ต้องหาขนมหาอะไรมาล่อเด็กนะั้นเด็กไม่เปซ น, นที่อื่นเวลาที่เราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องรู้จักเลือกเื่อเดี่ยวถ้าเราสวดมนต์แล้วเรามีความสุขเนี้เราก็สวดมนต์ไป อย่าหวังว่าจิตจะสงบสวดมนต์นนไปแล้วถ้าจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาสายไปส่ายมาให้รู้ทันแค่รู้เฉยๆว่าเขาสายแล้วก็สวดของเราไปอีกแต่ถ้าเราทํากรรมฐานแล้วเราพยายามบังคับจิตให้สงบเนี่ยจะอึดอัดมากเลยจิตไม่สงบหรอกเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าทําให้สบายเช่นพุโทโธพุโทโธอย่างสบายใจสวดมนต์อย่างสบายใจถ้าจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาก็แค่รู้ว่ามันฟุ้ง ถ้าเราทำไปได้ความสบายใจนะไม่นานจิตก็จะสงบเคล็ดลับอยู่ตรงที่สบายใจนี่แหละขอบคุณหลวงพ่อของโยมนั้นนะเดี๋ยวหลวงพ่อแนะนำโยมผู้หญิงชุดเขียวนะมาถามหลวงตาเลยท่านเก่งกว่าหลวงพ่อเรื่องเรื่องพวกสับเนาะหลวงพ่อไม่ค่อยรู้สับหรอกเออนะ ก็มาถามหลวงตานะแลหลวงพ่อไม่เก่งสับทหรอเอาเบอร์สิบสามเชิญเอาเบอร์สิบสี่ก่อนลเบอร์สิบสามาสสนสสามนช m e n c l a ค่ะหลวงพ่ อ, อาการดูจิตของโยมเนี่ยเพ่งไปหรือเปล่าคะหรือว่าเกาะตัวผู้รู้มากเกินไปเพราะว่า เลาดูจิตเนี่ยมันจะเกิดอาการแปลกๆหลายอย่างค่ะสมมุติว่าดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดอาการแบบว่าคล้ายๆกับลมหายใจมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วมันจะวูบเหมือนดับตรงนั้นตายตรงนั้นค่ะอืเป็นเพราะว่ามันพลิกไปเป็น<ร>สมถะจิตสิเนาะมันเป็นสมถะนะการดูจิตไม่ใช่เป็นวิปัสนาเสมอไปนะถ้าเราดูจิตแบบใ ห, ให้คลาดสายตานะจ้องเฝ้าอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตมจะรวมแบบนั้นแหละ มันเป็นสมรรถลมก็ตื้นขึ้นปล่อยมันใช่ไหมคะปล่อยมันไปเลยแคปล่อยมันะนะปล่อยไม่ตายดอกจิตมันรวมรวมตื้นขึ้นตื้นขึ้นไม่ตายนะให้มันเป็นไปคือให้ตามรู้ไปเลยใช่ไหมก็รู้ไปว่าเนี่ยลมมันตื้นขึ้นมาแล้วนะใจไม่เกิดกังวลให้รู้ว่าใจกังวลรู้ไปสบายใจแ ล, แล้วเมื่อวานนี้อหลุงพ่อเมตตาให้ไปดูตอนที่เกิดโศกสะเกิดทุกเขเวกัอ่าหลุงพ่อให้ไปดู การเจริญเมตตาอย่างไรข้าไม่เข้าใจค่ะก็อย่าเป็นโมโหตัวเองนะหมายถึงว่าแผ่เมตตาให้ตัวเองเหรอคะก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยแผ่เมตตาให้คนอื่นด้วยนะคือให้ท่องบทสวดมนต์เหรอคะท่องในใจไปก็ได้นะสัตว์<ม>ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุ ข, <ม>สขเถิดอะไรเงี้ยอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทับแล้วนั้นเถอดอะไรเงี้ยอ๋อมีอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่โยมขับรถไป คือดูจิตไปเรื่อยด้วยความสบายใจแล้วเกิดว่ามันพลิกไปเห็นอะไรไม่ทราบพระที่มันเหมือนเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะคือไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนเป็นต้นไม้เป็นถนนเป็นรถมันมันกลับพลิกไปที่มันไม่มีชื่ออ่ะ ม, มันปลอมไปหมดเลยค่ะเออปลอมทั้งนั้นแหละเห็นแล้วมันสะเทือนอ่ะคือตรงนั้นสัญญามันไม่ไปหมาย ะว่านี้คนนี้สัตว์ที่ต้นไม้ชื่อนี้ชื่อนี้นะมันแค่รู้แค่เห็นพอเราไปเจอสภาวะแค่รู้แค่เห็นนะจะเตือนแล้วหรื้อสะเตือนเร็วนี่บางทีเรานึกไปถึงอดีตนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมันฝันฝันไปทั้งนั้นถ้ามันฝันมันเป็นภาพลวงตาไปหมดเลยมันใช่เป็นภาพลวงตานั่นแหละทําทีดีแล้วปัจจุบันมันก็มีแค่เพียงที่มีแต่ความอยาก ความไม่ชอบใจ <c oughs> แล้วความเฉยเฉยเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะใช่แล้วอนาคตมันก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะค่ะออนาคตยังไม่มีใช่ไหมคะอันนี้โยมไม่ได้เพี้ยนไปใช่ไหมคะไม่เ <c> พ <oughs> <c oughs> <c oughs> ี้ยนหรอกติแตกใจตัวเองหลวงพ่อคะสมมุติว่าตอนตายเนี่ยเกิดโทสะจริตมากๆทําให้เราตกนรกเลยคะช่วงวราระจิตสุดท้ายที่ดับไปเนี่ยสมมุติว่าตกไปแล้วเนี่ยถ้าเราเคยเจริญสติอยู่เป็นประจำเนี่ย เราสามารถระลึกได้ทําเจริญสติได้ไหมคะไ ด, ะด้หลุดออกมานะคะคือบางทีนะตกนรกไปปุ๊บสัมผัสนะสอ้โเห็นไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยใจกลัวย้อนมาดูว่ากลัวแล้วหลุดออกจากนรกเลยคือโยมเคยฝันแล้วก็ไปเจอสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหะ ม, มันก็มันเกิดเจริญสติภายในความฝัน<อ>นะต้องอย่างนัน้นสิ อย่างเนี้ยไม่ตกนระกละจะให้บางทีมันก็ภาวนาพุโทโธบางทีมันก็ภาวนาว่ากลัวหนอกลัวหน อ, อเอาอะไรดีคะหลวงพ่อะจะภาวนาพุโทโธหรือว่าจะไปตามรู้คำ ว, ว่ากลัวกลัวตามความเป็นจริงทำอะไรถาภาวนาภาวนาพุโทโธนะหรือกลัวหนอกลัวหนอนะเท่าเทียมกันเป็นแค่คําบริกรรมแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตกำลังกลัวเนเกิดปัญญาอยู่รู้รู้ทันว่า ก, กําลังกลัวค่ะ ไม่ว่าจะพุทโธเป็นสมถะหรือว่ารู้ทันจิตเห็นความกลัวนะเห็นเดินวิปัสสนาก็หลุเจากนรกเท่าๆกันแหละเข้ากันนะหลุดได้ด้วยกันแหละหลวงพ่อข้าขอเขากุญแจดอกสุดท้ายให้ด้วยค่ะในความจงใจเหรอว่าจะดอกสุดท้ายกุญแจสําคัญเลยค่ะที่จะปฏิบัติต่อไปผู้คงจะไม่เจอหลวงพ่ออีกนานค่ะก็ภาวนานันแหละทําไปเรื่อยนะ สำรวจใจเราเป็นระยะระยะไปกุศลอะไรอกุศลอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญให้สำรวจไปเรื่อยค่ะหลวงพ่อสุดท้ายนี่ขอกรมะฐานให้แฟนนยคะ่โะโค้ชขับมาตั้งสี่้าชั่วโมงค่ะอันไหนที่เหมาะสำหับเขาคะให้หลวงพ่อดูหน้าเขาหน่อยเดีนี้หลวงพ่อเห็นแต่มือถือพูดไทยได้ไหม <c oughs> <c oughs> นรร้ำมันสกัดหลวงพ่อครับเออพูดไทยชัดครับพูดลาวก็ชัดครับเออครับหลวงพ่อผมปฏิบัติผมนั่งเนี่ยส่วนมากผมจะหลับไวมากเออเอไม่ทราบถ้าถ้าไม่หลับเนี่ยก็จะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อืถ้าไม่คิดเป็นหลับอือนี่ไม่ทราบว่ากรรมฐานที่เหมาะกับผมนี่ไม่รู้เคลื่อนไหวไว้นะเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกไป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 อากาศหนาวเราก็อย่าพัดใส่ตัวเราพัดออกไปข้างนอกอ น, นีแเราก็แค่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูพยายามเคลื่อนไหวไว้ถ้าไม่งั้นมันจะหลับครับผมกลับน้ำมาขอบขอบพ่อคุณมากครับผอครับโคขับรถมาไ ก, กลามากเลยนะสิบห้าชั่วโมงเนะี่ยคนนั้นเบอร์สิบสามเชิญกลับน้ำสมการหลวงพ่อครับผมจะถามว่า ยังผมนี่ควรที่จะแก้จะปรับยังไงครับอะไรนะควรที่จะแก้จะปรับอย่างไรครับแก้อะไรเออหมายถึงควรที่จะปรับยังไงครับอ๋อมีอะไรต้องปรับละตัวผมเนี่ยครับเออมีอะไรบ้างอนะ่ะบอกมาก่อนอก็ไม่รู้ว่าจะต้องปรับอะไรครับหลวงพ่อช่วยคําแนะนำหน่อยครับสติเกิดบไหวไหมล่าสติอะไรนะครับเวลากิเลสเกิดอะไรเงี้ยรู้ไหมรู้ครับนะรู้เร็วไหมก็เร็วครับ วความรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งอะไรเงี้ยมีไหมก็พอมีครับ <laughs> ให้คอยรู้ทันเนาะเวลาเราเราจริงจังกับความคิดความเห็นของเราเนี้ยะเราจะไปยุตในความคิดความเห็นแล้วความทุกข์มันจะเกิดขึ้น ค, คอยรู้ทันความทุกข์ที่เกิดที่จิตบ่อยๆครับเวลาเราจริงจังกับโลกนะเราก็ทุกข์เยอะอะไรเงี้ยคอยรู้ไปใจจะค่อยคลายออกคลายออกนะ้จะมีความสงบสุขขึ้นมาครับ มีคำแนะนมอีกไหมครับเอาข้อนี้ก็ยากแล้วหนะ้า <laughs> เอาทีละข้อเนานะเอาได้ครับขอบคุณมาาครับเอาเบอร์ห้า กับน้สัสศการหลวงพ่อค่ะยกไม้แบบนี้เลยตั้งตอ้งอพอดีหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ประมาณสองถึงสามเดือนนะคะอพอดีได้กัลยาณมิตรช่วยแนะนําให้ฟังซีด<อ><อ>ีกัลยาณมิตรนี่เขาดีจริงๆนะหลวงพ่อไปที่ไหนก็มีกัลยาณมิตรแนะนํา <c oughs> ทีนี้หนูก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะก็พยายามดูว่าตัวเองรู้สึกอะไรก็รู้ตามแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่า ก็นั่งสมาธิบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองทำมาถูกทางหรื อ, อยังอะค่ะ อ, อ, อยากจะขอหลวงพ่อช่วยดูวิหารธรรมที่ต้องูเอนเห็นกิเลสบ่อยไหมก็ก็เห็นค่ะเวลาเราภาวนานะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันนะแต่อย่าไปเกลียดมันนะอย่าไปต่อต้านมันแค่รู้เฉยๆนะถ้าเรารู้ทันกิเลสทั้งกิเลสก็จะหายไป หรือมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกในใจเราบ่อยๆนะจะจิตใจมันจะพัฒนาไปเองแหละชอบคิดนะค่ะ <c oughs> แล้วคนช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคนช่างคิดก็คือการคอยรู้ทันจิตของเราเองเราคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้อาฆาตอย่างเงี้ยนะคิดเรื่องนี้แคนอาฆาตเป็นไหม เป็นค่ะเออเป็นนะให้รู้ทันเวลาใจอาฆาตให้รู้ทันนะใจมันหมายมั่นปั้นมือนี้จะจับหักคอให้ได้นะ <c oughs> ให้รู้ทันนะแล้ <c oughs> หนูรู้อย่างนี้หนูหนูหนจเจริญเร็วมากเลย <c oughs> คนที่มีโทสะเยอะเนี่ยภาวนาง่ายเพราะอะไรพระโทสะมันเกิดขึ้นกล่าวใดเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขนําเป็นกิเลส ท, ที่ละง่ายที่สุดเลยงนั้นคนไหนมีโทสะเจริตเนี่ยเป็นบุญนะภาวนาง่าย แล้วพวกที่โทสะกล้าเนี่ยมักจะปัญญาแก่กล้าวด้วยะจะล้างอะไรได้รวดเร็วเพราะว่าโทสานี่มันเข้าไปทำลายล้างอย่างรวดเร็วเลยอาการมันลักษณะเดียวกับตัวปัญญาปัญญามีลักษณะทำลายล้างอย่างรวดเร็วเลยปล่อยก็ปล่อยตัดใจก็ตัดใจเลยเข้มแข็งดีแล้วล่ะขอบคุณหลวงพ่อค่ะเป็นบุญนะมีกิเลสแบบนี้เบอรอสามสิบเอร์สามสิบ ใจจีดอกนอกบ้างผู้ไร้ปากแข็งเยอะน้อมรักษาการท่านอาจารย์หลวงพ่อสามัวพี่คะด่ฉันอายุได้เจ็ดสิบแล้วนะคะแล้วก็เรียนมาทางวิปัสสนากรรมฐานยุบหนอพองหนอเตอนเมื่อ ชั้นป .6 นะคะแล้วก็อเขาซึ้งแล้วก็เห็นผลทันทีว่าเรียนหนังสือจาก 50% เเซนต์นะคะ แล้วก็ขึ้นมา top of the class อ้าวไม่แปลกนะแล้วภานาแล้วสมาธิดีแล้วก็ happy มาตลอดชีวิตที่เรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งทำงานทำการแล้วก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรแต่ทีนี้พอมาเริ่มเข้าอายุประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดขึ้นไปเนี่ยนะคะไอ้เรื่อง เราก็พบไอ้ักษาอะไรร้อยแปดที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เกิดซีเรียสขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆ, ๆแล้วก็เป็นคนวิตกจริตจนแล้วก็ไม่รับไม่ได้ฮะ <Okay. S 1> รับปรับน้อยอฮะแล้วก็จนกระทั่งทานยานอนหลับแล้วก็อักเสบแล้วก็จนคิดว่าอันนี้เป็นชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่เมื่อสิบสามปีก่อนก็เลย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 เออต้องทำงานโอนสารพัดอาสาสมัครกรรอะไรเนื่องจากเราอยู่ที่ u เ a นี่นะคะเราก็เนี่ยฮะทำชดสอบดูสอ ด, สอดเห็นไปช่วยทำงานทุกอย่าง <c oughs> เอ๊ะมันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ <c oughs> ก็เลยยิ่งยิ่ง วิตกวิตกมากขึ้นมากขึ้นมาก ข, ขึ้นจนขณะนี้เ0็สิบขวบแล้วนะเรื่องหาทางแก้ไขรักษาตัวเองยังไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ไปช่วยรักษาคนอื่นไปช่วยโนซี่กับคนอื่นไปช่วยเออเขามีทุกข์อ้าวจะไปละเดี๋ยววิ่งเข้าไป น, น, น, น, นีเนี่ยจิตมันกำลัง lost <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ขอท่านอาจารย์แนะ น, นว่านี่มันเราก็ออจะ เมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะคะขอวิหารธรรมที่จะทำให้ดิฉันเนี่ยคลายจากโลกวิตกจริวก็หายใจไปนะหายใจก็เป็นนะคะแล้วก็อารบาลานซ์ิเนี่ยพยายามทับอย่าอย่าทำอย่าทาแบบบังคับจิตให้สงบสิหายใจเล่นๆัวใจเล่นๆไปนะ ทำใจสบายหายใจเล่นๆไปรู้สึกตัวสบายๆไม่ได้หวังผลอะไรพอนะใจเราสบายใจเราเคล้าเคลียอยู่กับลมใจก็สงบเข้ามานะแล้วก็ค่อยดูไปใจตอนนี้สงบแต่เดี๋ยวก็ไม่สงบนะ <c oughs> เดี๋ยววิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตอนะไรเงี้ยคอยรู้ทันใจเรื่อยๆไม่บังคับใจแต่คอยรู้ทันใจไปนะแล้วอย่างรู้เนี่ยอยากจะเกิด24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะ จะรู้เมื่อไหรเช้ากลางวันเย็นให้ดูหรือว่าดูเลยพอรู้สึกขึ้นมาก้เอารูสักทีนึ่งหรืออย่างนั้ถ้ารู้สึกก็รู้สึกไปนะรู้สึกเมื่อไหร่ก็รู้เอา <c oughs> เหลือแล้วก็แล้วไปอย่าให้เครียด <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้องรู้ยีิบสี่ชั่วโมงนะรู้เท่าที่รู้ได้ค่อยๆฝึกให้สบายใจเน้นที่สบายใจแล้วสมาธิจะเกิด <c oughs> นั้นหายใจไปอย่างมีความสุข <c oughs> นี่หายใจอย่างหลวงพ่อมีความสุขบายไม่ไ ม, ไม่ไม่กำหนดเวลาไม่กาหนดไม่ดูเป็นไหมนนชาวชิคาโกอย่างตอนกลางคืนทำดีไหมคะเพราะว่าอันนั้นอ่ะเป็นดีถ้านอนไม่หลับนะนอนหายใจมากมพยายามหายใจไว้นะอย่าหยุด <laughs> แค่นั้นและค่ะโอ้มีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันไปหายใจไปหมดหรือยังหมดละถ้าหมดแล้วก็มีเบอร์สิบสอง นามสการพ่อแม่คุจณจันหลวงพ่อประโมทครับคือ <c oughs> ผมพยายามค้นหาว่าจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นลักษณะเช่นไรครับอรู้จักจิตที่ไหลไปไหมทราบครับตรงที่รู้ว่าจิตไหลจิตจะตั้งมั่นึ้นชั่วขณะนะชั่วขณะจริงๆครับชั่วขณะนะอย่าไปพยายามให้ตั้งตลอดนะ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 ถ้ารู้ว่าจิตไหลไปคิดเดี๋ยวเขาก็ตั้งขึ้นเองอย่างตอนนี้ตั้งแรงไปไหมมากเลยครับอืดอัดไหมพยายามผ่อนคลายอยู่ครับเออนะอืดอัดนั่นแหละแล้วผมพยายามผ่อนคลายที่นีมน้มันง่ายกว่าที่นึกนะครับผมแต่ว่ามันมันยากที่จะทำเลยนะครับทำไม่ได้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 ครับผมอีกหนึ่งคำถามครับทุกเช้าผมไปทำงานตั้งแต่ตั้งแต่ตีสี่บางก็บางครั้งก็ตีสามครึ่ง mm hmm. ผมอารัตนานิสัแปดทุกเช้าท mm hmm. ีนี้พอขึ้นรถขับไประหว่างที่ขับไปถึงที่ทำงานใช้เวลาประมาณแปดถึงเก้านาทีผมรู้สึกตัวึงหนึ่งถึงที่ทำงานแล้ว mm hmm. ไม่แน่ในขนาดนั้นไม่ทราบว่ามันเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นทำไม ถึงหายไปอย่างนั้นได้ครับอย่าให้หายหน้าเวลาขับรถอะหายตอนอื่นก็ยิ่งชั่วครับทีนี้ในช่วงจอนเช่าเมืองเล็กๆอย่างนั้นมันจะไม่มีรถเลยครับมันมันจะขับไปแบบอ้าวสึกตัวไอ้ทีถึงแล้วมันไม่ดีนะไม่ดีใช่ไหมครับพยายามรู้สึกตัวไว้ครับผมคืออย่าไปนั่งเพ่งนั่งจ้องอะไรมันนะครับผมพยายามกระตุ้นความรู้สึกที่ร่างกายเราตื่นเช้ามากอ่ะมันยังอยากหลับต่อครับผม เดี๋ยวมันหลับในไปนั่งไปขยับไปร่างกายหายแต่ว่านิ้วยังกระดิกจุอ๋อถ้าจงใจอย่างนั้นนั่นคือจิตมันไปรวมแล้วล่ะอ๋อครับนะเป็นสมถานะไม่เอาเลยเลิกเลยอันตรายมากเลยอ๋อครับเราทําผิดที่ละทําสมถานั้นอยู่บ้านเราค่อยๆทําไปตอนขับรถเนี่ยทําไม่ได้ตอนนั่งรถทําได้นะคนอื่นขับแต่ว่าถ้าเราขับเองอย่าไปทําสมถานเนี่ยกระดิกกระดิกแล้วจิตไปจ่ออยู่ที่การกระดิกเนี่ย ทั้งหมดนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่นิ้วครับมโมรออีกทีหนึ่งถ้าไม่ที่ทำงานก็ยมมาโลกครับผมกราวนามส ก, การครับน่าหมดแล้วล่ะเช่นะขอกราบพระคุณลองค์พระปราโเป็นอย่างยิ่ง รู้สึกปัญหาที่นี่จะมีปัญหาเรื่องจะต่างจากเมืองไทยบ้างนะฮะนี่เวลาว่างมากไปบ้าไม่ทราบที่หลวกพ่อบอกแบบว่าพวกเราตีนี้นะ่ามีจุดอ่อนอย่างเง้ยฉลาดเกินภาวนานะภาวนาโง่งๆดียังหลงอยู่น่น อ, อีกคนหนึ่งเมือ 3, 3, ่อสามสิบเอ็ดเดี๋ยวเ พ่อที่เคารอีกฉันอยากจะขอถามปัญหาค่ะของคนนอกศาสนาคือเป็นพวกฝรั่งแต่เขาเป็นคนทั้งครอบครัวผัวเมียไ ม, ไม่ไม่นับถือศาสนาเป็นซีไ ม, ม้ถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนโอ้ตอนนี้เาขาอยู่ที่ไหนหลวงพ่อยังไม่รู้เลย <laughs> เป้าเป้าสงสัยเนี่ยเราดิฉันก็มาสังฆทานทีไรก็เรียกชื่อนามสกุลเขาผัวเมียครอบครัวนั้นทุกครั้งที่มาที่นี่<อ>เขาจะได้รับหรือเปล่าเขาตายไปแล้วหรือจ ะ, จะได้รับผลบุญที่เราเม่ตอนตอนนี้เขาตายไปหรือยังบตายไปทั้งผัวเมียแล้วค่ะอ๋อคือได้รับหรือเปล่าเนี่ยไม่ เราไม่มีใครรู้นะค่ะแต่สําคัญก็คือเราได้แผ่ส่วนบุญให้เป็นบุญของเราเรียบร้อยแล้วส่วนเขาจะได้รับหรือเปล่ามัอยู่ที่ว่าเขาไปเกิดในพบภูมิใดนั่นแหะดิฉันก็สงสัยว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยแต่ลูกชายเขาเป็นคริสเตียนเลูกชายตอนหลังเข้ามาเป็นคริสเตียนลูกชายเขาก็คือลูกเขยดิฉันนี่แหละออืค่ ะ, คะก่อนเขาไปเถอะ คิดเป็นห่วงคิดเป็นห่วงพี่น้องผราเราแค่แค่ทำบุญอุทิศให้ไปนะตามหน้าที่ส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่เวที่กรรมของเขาส่วนมาถามหลวงพ่อว่าเขาไปอยู่ไหนโถตอนเขาเป็นๆหลวงพ่อยังไม่รู้เลยฉันก็สงสัยนะแล้วลูกเข้าไปโบสถ์แตทุกอาทิตย์เนี่ยคงจะเป็นบุญกุศลให้พ่อแม่ได้นะฮะได้ถ้าถ้าเขาอุทิศให้ ถ้าเข้าไปโบสแล้วสบายใจส่วนตัวไม่ได้อุทิศให้ก็ไม่ได้แต่ฝรั่งตายไปแล้วมันไม่ทำ บ, บุญหาพ่อแม่เลยแล้วพ่อแม่ก็คงจะเป็นเปรตหรืออะไรไม่มีอาหารกินอ <laughs> <laughs> ย่าอย่าไปพูดให้ฝรั่งฟังนะที <laughs> ่ฉันไม่กล้าพูดกับลูกเขยเลยนะเพราะว่าแาสนาเนี่ยแต่ลูกเขยเขาก็เป็น อืมเข้าใจดีเออดีดีค่ะทีนโมทนาด้วยมีลูกเขยดีเดอาจะเป็นที่เรียนไปด้่านะดีน่าเชิญคุณหมอ ก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครัอพวกเราช่วยกันสาธุสาธุสาธุก็พวกเราต้องสาธุให้หมอคงศักด้วยนะ โยมเขาจะถวายันเพอเพราะว่าเทีนวันนี้อนุไปโอ้หลพ่อรับไม่ได้เอาะมนมีสตังอเอาดอกไม้มาดอกหนึ่งกัดอกไม้ดอกนึ่งก็ได้เอานีนี่มาถวายัดใจก็ฝากแม่ชีฝากโยมไออยมวไ้ได้ได้มีเวลาเเสร็จแล้ ว, เ ส, ลวเสร็จแล้วมีถ่ายรูปเป็นกลุ่มๆนะคะ หมวดนี้มันรับน้ำหนักได้ไหมหมอข้างล่างข้างล่างนะผมก็อีกหมัดนึงยังมีแถมมาอีกหนึ่งเริมไปต้นนะโมทนานะโอ้สวยทดรรมติัใครลยะโอ้ดวงตาจำได้หมดเลยเนาะ มีไหนช่ไหนมีมีคนขอให้สรุปอะไรนะคุณหมอสรุปขั้นตอน <c oughs> ทั้งหมดเลยนะขั้นแรกเลยถือศีลห้าไว้ถ้าทำได้นะทำให้มากที่สุดอ่ะถัดจากนั้นฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานอย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงนะ ถ้าดูอย่างนี้ได้เอามีหลงอยู่คนเขาปิดไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยถามนอกรอบก็แล้วกันอ่ะต่อไปจะถ่ายรูปเชิญจะเป็นกลุ่มนะครับเชิญตัวเพราะมันไม่มีอะไรมากหรอกกรุณนฮะเป็นกรุบกรุบนะฮะก็ขอแรงช่วยหน่อยเป็นเอาเอาสองแถวหน้าก่อนก็แล้วกันหรือทีละแถวก็แล้วกันเพราะถ้าคนมากก็ทีละแถว นัเบอร์นะโอบไม่เ่นขอะอ๋อเนี่หลวพ่อเป็นห่วงตรงที่ว่าเที่ยวประดูจิตหลวงพ่อตัวจะออกนอกนะทำเหตุไปเรื่อยดูกายดูใจ ร่วปฏิบัตินนสนรปฏิบัติก็ <c oughs> ดีอยู่นะทำไปเรืเ่อยๆคอยรู้ทันกิเลสใจ